พระธรรมเทศนาลำดับที่สิบห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าถือแนวแถวทางปฏิบัติด้วยปัญญาไตร่ตรองวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบตรงกับวันที่ส2บสองกันยาห้าสี่ เป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันทาบุญของพวกเราเป็นวันสำคัญยิ่งทางอีสานของเราในพรรษาคือวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งวันข้าวประดับดินแล้วก็เป็นบุญทำบุญข้าวฉลากร ก, กพัดหลวงพ่อเคยอธิบายให้แก่พวกคนณะศรัทธาญาติโยมฟังหลายครั้งว่าวันฉลา ก, กพัตนี่ คนโบราณเขาทำและปฏิบัติมาอย่างไรแล้วก็พวกเราก็ได้ดำเนินตามที่คนโบราณเขาให้พาไหว้พระสมาทานศีลจากนั้นก็ได้ถวายพระทาหารใส่บาตพระสงฆ์จากนั้นอุทิศส่วนกุศลอุทิศคุณงามความดีของเราที่ได้กระทาทั้งในอนดีตทั้งในปัจจุบันขณะ น, นี้เวลานี้ เออุทิศ่วนกุศลต่อบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายวงสาคณาญาติญาติมิตรสหายที่ตกทุตกข์ได้ยากจะให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องลูกหลานถ้าหามีความสุขอยู่แล้วก ข, ขอให้มีความสุขยิ่ยงยิ่ยงขึ้นไปอันนี้ก็คือเป็นการทําบุญเป็นประเพณีถือกันมาตั้งแต่พ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายของพวกเรา พวกเราก็อันนี้ก็คือคุณงามความดีพวกเราควรจะถือต่อสิ่งไหนที่โบ ร, ราณถือมาเราดูแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลเราก็ควรจะปล่อยปละละวางไปแต่สิ่งไหนที่เกิดประโยชน์เราควรจะถือต่อไปก็มีตั้งหลายๆอย่างคนควรที่จะทิ้งก็มีควรที่จะถือไปก็มีเพราะยุค ข, ของเราเป็นยุคที่ ควรจะศึกษาในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องดีและไม่ดีพวกเราต้องใช้ปัญญากานกรองไตรตรองมิใช่ว่าคนโบราณทํามาอย่างไงพวกเราก็ถือไปอย่างนั้นไม่ใช่อย่างหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สองพันกว่าปีก่อนพวกเราเกิดสองพันห้า้อห้าสิบสี่ปีคือ พ, พุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลก แต่ท่านทางสอนในยุคนั้นสมัยนั้นล้วนแล้วจะเป็นอัตเป็นธรรมล้วนแล้วจะมีเหตุมีผลล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีล้วนแล้วจะเป็นนิยาในกระทำคือนำพวกเราให้สู่ไปสู่ความสุขเรามาวิเคราะห์เรื่องศีลห้าก็ดีเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาก็ดีเราก็รู้และเข้าใจว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีเหตุผลบริบูรณ์ทุกทุกอย่าง เพรนั้นพวกเราจึงได้ถือต่อไปเราวิเคราะห์ดูแล้วเราจะได้ถือต่อไปคนโบราณเขาถือมาเราก็วิเคราะห์ดูเห็นว่ามีเหตุผลเราก็ถือไปแต่สิ่งไหนก็ตามถ้าหากว่าคนโบราณถือมาแต่เราเออกมาดูแล้วไม่ได้เรื่องเอคนโบราณเขาถือมาเขาถือมามีเหตุผลยังไงจึงถือมาแต่เราก็ไม่ควรจะถือไปทิ้งซะ เป็นเป็นเรื่องของเราจะต้องวิเคราะห์ว่าเรื่องต่างๆที่มีเหตุผลมากน้อยยังไงแค่ไหนแต่บางครั้งก็น่าเสียดายอีกเหมือนกันคนที่อธิบายให้ฟังหรือคนทีถือมาถือมาก็ไม่ได้เข้าใจถ่องแท้ไม่ได้เข้าใจชัดเจนไม่ได้เข้าใจในหลักเหตุผลที่แท้จริงพอถือมาแล้วก็แบบถือมาแบบงูป่า อันนี้มันไม่รู้ว่าปลาไหลมันไม่รู้ว่าเป็นงูไงงูพิษและงูไม่มีพิษก็ไม่รู้ที่ถือมาพอมามาให้ก็อธิบายไม่เป็นอีกว่า น, นี่คืออะไรพอได้โทรก็เลย <c oughs> ผู้ถือมาก็ไม่รู้เรื่องผู้จะรับต่อไปก็ไม่รับจะไม่รู้จะรับยังไงก็เลยทิ้งไปอันนี้ก็ก็มีเหมือนกันนะน่าเสียดายต่อไปภายภาคหน้าที่พุทธศาสนา จะลอยหลอแล้วหมดลงไปก็จะลกคงลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อว่านะคือผู้ถือมาแล้วก็ไม่อธิบายให้ชัดเจนผู้ที่จะถือไปนะก็ไม่รู้จะถื อ, อยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยทิ้งของที่มีคุณค่าเพราะว่าคนที่ถือมาก็ไม่รอบขอบไม่มีปัญญาคนที่จะรับไปก็ไม่ได้วิเคราะห์ด้วยปัญญาก็เลยทิ้งของที่มีคุณค่ามันก็เป็นเป็นทุกข์เป็นสมัย ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเขาก็ติว่ากรรมของสัตว์กรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายมันมองไม่เห็นสัจจธรรมมันมองเห็นแต่ความชั่วความชั่วความเสียหายสิ่งไหนที่เป็นบาปอกุศลมันจะมองเห็นได้ชัดแต่สิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลที่จะทําให้พวกเราร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจทั้งการเป็นอยู่มันมองไม่เห็นจุดนั้นเห็นแต่กิเลส ราคะโทสะโมหะนี่อันนั้นมองเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าสิ่งไหนที่จะออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะนไม่ชอบมองไม่เห็นเพราะไม่ต้องการไม่ใช่ใจไม่สนใจแล้วก็ไม่ปฏิบัติ ด, ด้วยท่านเพราะว่าไม่ได้เพราะความไม่เชื่ออยู่ในใจแล้วจะนำมาปฏิบัติได้อย่างไรเพราะเราไม่เชื่อนี่ก็น่าเสียดาย คนนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาธรรมะจากท่านแล้วก็ให้นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเรากายวาจาใจของเราใจของเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในสถานที่ใดก็เป็นสุขพวกเราคิดตัวให้ดีสิ นั่งดูให้ดีคิดดูให้ดีนอนเอามือกายหน้าผากฟังคิดให้ดีความสุขที่แท้จริงของคนมนุษย์นั้นคือตรงไหนกันแน่กับเพียงแต่ว่าประทังประทังใช่เหมือนกับไฟมันอยู่ในฝ่ามือด้านหนึ่งมันร้อนเราก็โยนอีกข้างหนึ่งมันด้านนี้ก็เย็นหน่อยขึ้นมาแล้วก็โยกลับขึ้นมาอีกเอันนี้ก็คือมันเพียงแต่ว่ามันผัดเปลี่ยนกันหน่อยเดียวเท่าเอง ในความสุขของมนุษยนะ์แต่ความสุขที่ถาวรนะ่ะจะทำยังไงอี่มให้มีไฟอยู่ในมือของเราจนะทำอย่างไรความสุขที่ถาวรอันนั้นเราต้องศึกษาแหละท่นนี่ศึกษาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่ามีอยู่ที่โยนไฟออกจากฝ่ามือนะั่นน่ะไม่ให้มันไฟไม่ฝ่ามือนะั้นมีอยู่ผลทาง น, ะนี่แหละเราต้องศึกษา คือสลัดกิเลสออกจากใจเนะจะละสลัดออกอย่าไงไงเดี๋ยวนี้นมันกิเลสอยู่ในใจของเราโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะมันกุ้มรุ่มเผาอยู่ในจิตในใจของเราอยู่เราก็ไม่รู้จะออกทางไหนผลให้โชยเราก็เลยในเมื่อมันไม่แสดงเออเราก็อยู่ได้แต่เมื่อมันแสดงเราก็ทุกในเมื่อมันแสดงเราก็ขึ้นมากิเลสแสดงขึ้นมาเราก็ทุกมันก็ขึ้นอยู่อย่างนั้นแหละแต่ทํายังไงมันก็เพิ่มอยู่บ่อยๆ จะทำยังไงเราจึงจะสลัดกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงออกจา ก, กจิตใจให้ได้เหมือนกับเราสลัด่านไฟออกจากมืออย่างนั้นอ่ะคือไม่ให้มันมีอยู่ในมือทั้งสองข้างสลัดออกไปเลยเราจะทํำยังไงนัน่นแหละเราต้องศึกษาท่าต้องศึกษาตามธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าท่านมีช่องทางที่จะให้พวกเราได้ฝึกศึกษาอย่างหลงพ่ออะไร ที่หลวงพ่อไ ด, ได้ศึกษามากนเยเรื่องสมาธินี่แหละพอนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอันนี้แหละคือกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดไปสู่มรรคผลนิพพานต้องมีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญ ะ, ญญะญญคือความรู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวอยู่ตลอดมีสติสัมปชัญญะนอยู่ในตัวเองแล้ว จากนั้นใจของเราก็มันก็ไม่คิดถึงอดีตบังคับใจไม่ให้คิดถึงอนาคตบังคับใจให้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ที่ลมหายใจเข้าออกะแต่เราถ้าเราเดินการเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหนเราก็เอาจติตจับอยู่ตรงนั้นในการเคลื่อนไหวแต่ขณะที่เรานั่งมันไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายก็ไม่ได้เคลื่อนไหวตาเราก็หลับอยู่มันที่ไหนท่ามันยังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ก็คือลมหายใจเข้าออกนันแะ ลมหายใจเข้าออกมันเคลื่อนไหวเื่อเว้นเสียแต่คนตายถ้าคนตายแล้วก็หมดอากับกิริยา ก, การเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ลมหายใจเข้าออกอยู่นี่แหละเราก็เอาสติสัมปชัญญากําหนดหรือวเจาะหรือทําความรู้อยู่ที่ปลายจมกูกที่ลมเข้าหายใจเข้าออกนั้น่ะ ในเมื่อเราเอาสติอยู่กับลมหายใจเขาออกนั้นแล้วใจของเราก็ไม่คิดไปทางอื่นไอค้คาว่าบังคับไม่ให้มันคิดไปทางอื่นให้มันอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นในเมื่อจิตของเรารวมสงบมันไม่ไปที่อื่นแล้วมันจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมเป็นหนึ่งแล้วความรู้ทางหลายทางปวงมันก็จะจ้าขึ้นมาในจิตใจของเราเราก็มีความสุขในระดับหนึ่งนะว่านัติสันติป ร, รางสุ ข, ขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็จะเกิดขึ้นในจุดนั้นเมื่อเราจิตทําจิตให้สงบเป็นพื้นฐานได้บ่อยๆขึ้นแต่ไม่ใช่ได้ทุกครั้งนะการนั่งสมาธิไม่เจ้าจะส ง, สงบได้ทุกครั้งไม่ใช่เราต้องทําความเข้าใจกับตัวเองบางครั้งอเหมือนกับมานะ้ามันประยอย่งทั้งที่เราเลี้ยงมาอยู่ตลอดอยู่ขับเราตลอดแต่อีกสักวันหนึ่งไม่ทุกมันเตะไม่รู้มันถีบไม่รู้ กระโดดขยโงงโขงเข่งขึ้นมาเออเราก็ต้องหาวิธีะจะทรมานมันอย่างไรนี่ก็เหมือนกันใจของเราอยู่กับตัวของเราแต่บางครั้งเน่ยเหมือนกับมันคุ้นมันเชื่องภาวนาอะไรเออมันเป็นตุเป็นตะเน่ยมักผลนิพพานมองมองยู่อยู่แค่เอื้อมเนี่ยแต่บางวันโอ้โหมันทำไมมันเป็นอย่างนี้พยองพองตัวกระโดดโลดเต้นจนเอาไม่อยู่กันเละ เออเอาไม่อยู่จริงขนาดนอนก็ยังไม่หลับอีกต่างหากวะน้ำไปเพราะมันกระโดดมันพยองฮะมีแต่นอนท่าเทียวเท่านั้นนะ่ะนอนก็นอนคิดนอนอ่านนอนปุงฟุ้งซ่านอยู่งั้นแหละทีนี้นี่แหละมันเป็นขนาดนั้นใจของเราถ้าเราภาวนาแล้วเราจะเห็นด้วยตนเองแต่บางครั้งมันก็เออพอเข้าไปก็เชื่องเชื่อ ง, องกำหนดอะไรมันก็อยู่จิตใจสงบเย็นสบายมีความสุขอันนี้แปลว่าบางครั้ง แต่ต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยถึงจะมัน พ, พยองพองตัวเขยงโขงเข่งขนาดกันเลยก็เถอะนะม้านอแต่เราก็พยายามพยายามหาวิธีตะกอนเราเคยทํำยังไงหาวิธีการกําหนดยังไงพิจารณาอย่างไรวิธีการจับจะให้มันอยู่นิ่งเราจะวิธีจับยังไงมันก็มีวิธีพอวิธีเข้ามาเราก็รู้ชํานาญชํานาญในวิธีการเข้าสมาธิชํานาญในการ ชํานาญในการออกจากสมาธิเข้าสมาธิยังไงออกสมาธิยังไงกําหนดยังไงจะให้มันอยู่ยังไงที่ไม่ให้มันปุงฟุ้งเป็นยังไงเราชำนิชำนาญในการทําสมาธิเนะี่ยเมื่อใจของเราอยู่ในสมาธิดีพอสมควรเป็นพื้นฐานแล้วเราก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาการกองไตรตรองเหตุและผลด้วยสติปัญญาของเราเห็นพิจารณาร่างกายเนะี่ยเนี่ย ใจของเราเนี่ยที่มันหลงเขออย้งกระโดดเอซ้ายกระโดดขวากระโดดหน้ากระโดดหลังเนี่ยที่มันไม่อยู่เพราะมันอะไรเพราะมันหลงกิเลสอยู่ในใจของเรามันหลงอะไรหลงร่างกายร่างกายมันไม่ใช่ของเรานะใจนะแต่นี่มาดูให้ดีทสุอันไหนคือความสุขกินข้าวอร่อยนอนหลับใช่ไหมใส่เสื้อผ้าสวยงามอยู่ที่บ้านเลื่อนรูหลา้าโออานั่งรถอสวยงามไปที่ไหนไหน เอ้ยกยอปอปั่นกันอย่างนั้นใช่ไหมความสุขเนใจถามตัวเองนะทีเอ้ผลที่สุดก็ไปอยู่ด้วยกันเอ้พูดจาพาทีกู่หัวเราะยิ้ ม, ยมแย้งแจ่มใสต่อกันพออยู่ไปนานๆเข้าไปขนั้น่ะตาเขียวปัดใส่กันเอ้แลแ บ, บลิ้นใส่กันอีกต่างหากแคแล้วมีความสุข ไ, มไหมทีนี้เอ้ความสุขนั่นก็คือกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกเลยทีนี้ต่อไปเมื่อเราทานอาหารอร่อยอร่ อ, อยโอ้รสอร่อยดีฮ อแต่พอเราไปของห้องน้ําเลยนะไม่มีห้องน้ําห้องน้ำไม่สะอาดเนะี่ยเป็นยังไงนะมันก็ะทอกอีกเหมือนกันนะสรุปแล้วคือความสุขที่แท้จริงนะั่นคืออะไรใจฮถามตัวเองเลยเสีเนี่ยร่างกายนะไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะอมันจะต้องแก่ท่องเท่าชราไปเรื่อยนะสมัยเป็นเด็กเป็นยังไงเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นยังไงอต่อมาก็มีอคนหนุ่มคนกลางขึ้นมาเป็นยังไงบัดนี้เราเท่าแก่ชราขนาดไหน ต่อไปมันจะเหี่ยวย่นไปเรื่อยๆผลนิสูรก็าตายใช่ไหมใจนี่แหละให้พิจารณาอย่างนี้เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในมองเขามองเราจากนั้นก็เห็นอ น, นิจจังทุกขังของไม่เที่ยงทช่ไหมสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ไ ม, ม่ใช่ตัวตนของเรานี่แหละธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้า เ, เราจะพิจารณาไปยังไงที่ไหนๆย่นลงมาถึงไตรลักษนะ์ตัวไตรลักษ์นี่แหละ ไตรลักษณ์เนี่ยเป็นตัวที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้บําเพ็ญให้ศึกษาและจะนั้นจากจากนั้นจะนํามาประพฤติธปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่การบําเพ็ญอย่างที่ว่าเนี่ยนะให้ทานรักษาศีลภาวนาตลอดถึงการทําบุญอุทิศส น, ศสนกุศลกระลุ่นแล้วจะเป็นคุณงามความดีเป็นสเสบียงเดินทางของพวกเราทั้งนั้นแหะแต่พวกเราไม่ทํานะ ไม่ทําไม่สร้างเอาไว้จะไม่ได้นะจะไม่ได้ที่ส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวันนี้เป็นวันสำคัญที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ฟัง